มาเจริญสติก็พึงตระหนอักไว้อย่างหนึ่คือว่าการเจริญสตินี่มันเริ่มต้นทันทีที่เราลืมตาขึ้นมาหรือเราตื่นขึ้นพอตื่นขึ้นปุ๊บนี่ก็เรียกว่าการฝึกสติได้เริ่มขึ้นแล้วอันนี้อาจจะต่างจากการฝึกสมาธินะฝึกสมาธินี่เราอาจจะเริ่มฝึกเมื่อเรานั่ง บนอาสนะแล้วก็หลับตาตารวมหายใจซึ่งอาจจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนสายแต่ถ้าเป็นการจรดสติแล้วเนี่ยถ้าลืมตาตื่นขึ้นมานั่นหมายความว่าการฝึกสติได้เริ่มขึ้นแล้วถ้าเรายังซึมเศร้านอนอ้อยอิงไม่ยอมลุกจากที่นอนอันนี้ก็ถือว่าลืมตัวแล้วนะ เมื่อเราลุกขึ้นมาเริ่มล้างหน้าแปรงฟันก็ให้ทําด้วยสติทําด้วยความรู้สึกตัวที่จริงตื่นขึ้นมาตั้งแต่เชา้านี่ก่อนที่จะลุกไปล้างหน้าแปรงฟันสิ่งแรกๆที่เราประสบอย่างเช่นเช้านี้นะก็คือความหนาวเรารับมือกับความหนาวอย่างไรนะ อันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับการเจริญสติเหมือนกันนะเมื่อเจออากาศหนาวโดยเฉพาะเมื่ อ, อลุกมาจากที่นอนแล้วเดินมาที่นี่มาที่สาราทมวัดเรารู้สึกอย่างไรต่อความหนาวที่เกิดขึ้นเราเห็นใจที่อาจจะบน่นตีโพยตีพายหรือโอดโอย เมื่อกายสัมผัสความหนาวหรือเปล่าถ้าเราไม่เห็นนะปล่อยให้ใจโบนโว้อยวายนะหรือเป็นทุกข์อันนี้ก็แสดงว่าเราอลืมตัวนะเราไม่ได้เจริญสติแล้วละ่ะจริงๆอากาศหนาวๆแบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์นะมันเป็นแบบฝึกหัดให้เราได้เรียนรู้นะ ที่จะดูใจของเราใจของเราเป็นอย่างไรนะมันกระเพื่อมหรือเปล่ามันมีความรู้สึกชังไม่ชอบผักใสต่อความหนาวที่เกิดขึ้นไหมถ้าความหนาวเย็นกระทบกายและเราเอาแต่ทุกข์คือทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจอันนี้ก็แสดงว่าเรา ลืมตัวเราละเลยนะเราลืมฝึกสติไปความหนาวธรรมชาติให้มาเนี่ยอาจจะเป็นธรรมดาของเขาแต่เราก็ต้องรู้จักใช้ความหนาวเป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติธรรมหลายคนใช้ความหนาวเป็นประโยชน์ในแง่อื่นสนุกสนานอย่างเช่นบางคนก็ไปในที่หนาวหนาวนะ เพื่อจะได้สัมผัยกับความหนาวหรือว่าถ้าหนาวมากๆก็จะได้เล่นสกีนะหรือว่าได้ดูแม n ชนิ่งนั่นเขาใช้ความหนาวเพื่อประโยชน์ในทางสรุกสนานแล้วก็ประโยชน์ในทางโลกเราก็ต้องรู้จักใช้ความหนาวเพื่อประโยชน์ในทางธรรมด้วยไม่ใช่เพื่อฝึกใจให้อดทนอันนั้นมันเป็นเรื่องพื้นฐาน แต่ว่าบางคนอดทนอดทนแบบกัดฟันทนก็คื อ, อยังทุกอยู่ทุกเพราะความหนาวไม่ใช่ทุกเพราะทุกที่จัที่กา ย, ยาเดียวทุกใจด้วยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถจะใช้ความหนาวในการเจริญสติได้ก็คือเมื่อความหนาวเย็นกระทบกายแล้วก็มาดูกายซีเป็นอย่างไรบางทีกายเกร็งโดยไม่รู้ตัวนะบางคนนี่ กรามเนือเกรง็งนะอันนั้นมันเป็นสัญชตาตญาณหรือปฏิกิริยาธรรมดาของร่างกายเราแต่พอเกร็งนานๆแล้วมันก็ทุกข์นะเกิดเวทนาขึ้นเพราะเมื่อยก็ยิ่งซ้าเติมความทุกข์กายให้มากขึ้นด้วยพอเรามีสติเห็นกายนะกายมันเกรง็งเราก็ลองผ่อนคลายดูก็จะพบว่า ความทุกข์กายมันน้อยลงมันมีแต่ความหนาวกายนะแต่ว่าให้ความปวดความเมื่อยก็จะเบาบางลงนอกจากมามีสติรู้กายแล้วก็เอาสติมาดูใจด้วยวใจเป็นอย่างไรใจเป็นปกติไหมมันอดโอยมันบ่นติโพตีภายหรือเปล่ามันผลักใส ความรู้สึกทุกข์หรือความหนาวที่เกิดขึ้นไหมตรงนี้มีประโยชน์นะเพราะว่าความทุกข์ใจส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่ใจเรามีความรู้สึกลบต่อความหนาวมีปฏิกิริยาชังผลนะักสายมันเมื่อมีความทุกข์ใจแล้วมันก็ไปซ้ำเติมความทุกข์กายให้เพิ่มขึ้นหนาวๆแบบนี้เนี่ยเราทุกข์กาย หนาวกายแต่ว่าใจไม่หนาวนี่ก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ปล่อยให้หนาวทั้งกายหนาวทั้งใจทุกทั้งกายทุกทั้งใจเพราะว่าลืมตัวนะไม่มีสติดูใจของตัวถ้าเราอยากจะช่วยตัวเองให้ทุกน้อยลงนะสิ่งหนึ่งที่ควรทําก็คือว่ามาดูกายดูใจดูกายอย่างที่ว่านะมันเกร็งไหมมันมัน เมื่อยไหมกับการที่กล้ามเนื้อเกรงมือเกรงขาเกรงแขนเป็นต้นแต่ที่สำคัญคือว่าใจน่นแหละนะถ้าปล่อยให้ใจทุกนะมันก็ไปซ้ำเกิดซ้ำเติมความทุกข์กายบางทีอาจจะความทุกข์อาจจะคูณ2อคูณไปเลยทีเดียวนะเมื่อเราปล่อยให้ใจทุกไปด้วยและที่ใจทุกมันก็เพราะอะไรเพราะว่าการที่ผลักใส ไม่พอใจความชังหรือว่าโทสะที่เกิดขึ้นไอโทสะนี่มันไม่ได้หมายถึงความโกรธที่ออกมาในรลกของการเอะอะโวยวายด่าว่าคนอื่นเท่านั้นแต่มันหมายถึงอาการที่ผลักไสเพราะความไม่ชอบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลายคนในขณะนี้เพียงแค่เรามีสติรู้ทันอาการเหล่านั้นของใจ ใจมันก็จะกลับมาเป็นปกติเมื่อใจกลับมาเป็นปกติทุกใจนีก็อาจจะเลือนลางหายไปก็คงเหลือแต่ความทุกข์กายความหนาวกายเราเจะพบว่ามันเป็นเรื่องที่ทนได้ไม่ยากไอ้ที่ทนไม่ได้คือใจที่มันบนโวยวายตีโพติพายและถ้าเราศึกษาดูใจของเราไปเรื่อยๆก็จะพบว่าทุก ความทุกข์ใจเนี่ยไม่ได้เกิดจากว่ามีความหนาวมาบีบคั้นกายเราแต่มันเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ใจไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นทันทีความทุกข์ใจส่วนยังเกิดจากการที่เราปฏิเสธเกิดจากใจที่ปฏิเสธผักไสไม่ยอมรับ ไม่ใช่แค่ความหนาวอย่างเดียวจะเป็นเสียงก็ได้นะถ้าเสียงดังเข้ามานะถึงศาลาเนี่ยแม้จะเป็นเสียงคนพูดคุยเบาๆแต่พอใจไม่ชอบหรือใจผักสายแล้วนี่ก็เกิดความทุกข์ใจเกิดความงุนงงขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่าเสียงที่ดังในห้องในศาลานี้อาจจะเป็นเสียงริงโทนที่ไพเราะเป็นเพลงที่เราอาจจะชอบด้วยซ้ํา แต่ถ้าใจเราผลักไสมันเพราะเห็นว่ามันผิดกาลเทศะแม่เสียงจะเพาะเสียงจะเบานะีใจก็ทุกทันทีเลยแต่พอเราใจเราเนี่ยนะยอมรับมันไดนะ้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาเสียงก็ไม่ได้ดังอะไรใจเรากลับมาเป็นปกติขึ้นมาไม่ทุกเสียงดังแค่ไหนนะแต่ถ้า ใจยอมรับมันได้ไม่ผักสายไม่ปฏิเสธใจก็สงบได้นะสงบนั่นก็เรียกว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งเวลาเรานั่งสมาธิแล้ว เ, เกิดมีคนสวดมนต์เสียงดังๆบางทีเราก็สงบได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงนั้นได้ยินแต่เราไม่ได้รู้สึกลบกับเสียงนั้นกลับจะรู้สึกเป็นบวกด้วยซ้ำเพราะเห็นว่าเป็นเสียงแห่งความศรัทธา เคารพในพระรัตนตรัยซึ่งเป็นความรู้สึกเดียวกับเราเราก็ยอมรับเสียงเหล่านั้นไม่ ป, ปฏิเสธมันเพราะไม่ ป, ปฏิเสธใจก็เป็นสุขหรือสงบได้พวกเราที่ใครที่เคยไปสังเวชนสถานโดยพระพุทธคยาเนี่ยอาจจะเข้าใจที่อาตมาพูดได้เพราะว่าพุทธคยามีคนชาวพุทธไป สักการบูชาพระเจดีย์แล้วก็พระศรีมหาโพนี่วันึงเป็นหมื่นคนพลุกพล่านผู้คนถึงแม้จะไม่ค่อยพูดคุยกันแต่ว่าก็ส่งเสียงดังในอีกแบบหนึงคือว่าสวดมนต์สวดมนต์ประทักศิลไม่ได้สวดเปล่าๆนะใช้เครื่องขยายเสียงด้วยสวดเสร็จก็มาทำวัดต่อที่หน้าต้นพระศรีมหาโพเสียงก็ดัง สวดก็นานสวดเสร็จก็แสดงธรรมต่อนี่เฉพาะชาวพุทธไทยนะไม่นับชาวพุทธพมา่าลังกาเคลเมนโดยพระที่เบสนี่เสียงก็ดังนะเพราะว่าเขาเก่งในเรื่องนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าก็มีคนนับสิบนะอาจจะนับรอยนี่นั่งสมาธิอยู่รอบพระเจดีถ์ทีถ้าอาการก็สงบนิ่งเราวกับว่าไม่ดินเสียง ดังเหล่านั้นเลยนะที่จริงได้ยินนะแต่ว่าเ้าไม่รู้สึกอะไรเขาสงบได้เพราะใจเขายอมรับว่าเออนี่เป็นเสียงแห่งศรัทธาแห่งความระลึกรึกถึงพระตนัตไตรจะเรียกว่ารู้สึกในทางบวกกับเสียงเหล่านั้นก็ได้ใจก็เลยสงบเพราะนั้นใจสงบหรือไม่เนี่ยมันไม่ขึ้นว่ามีเสียงดังมากระทบหูหรือเปล่านะ อยู่ที่ว่าใจเรารู้สึกอย่างไรต่อเสียงนั้นหรือมีท่าทีอย่างไรอาการหนาวๆแบบนี้เนี่ยสหรับบางคนถ้าเกิดว่าเขาตามล่าเพราะว่าอยากจะได้เจอบรรยากาศหนาวๆห น, นาวกนนี้เขาก็ยังรู้สึกเฉยๆอย่างที่เราอาจจะสังเกตคนที่ขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์ นะพวกนี้ก็ไปตามล่าความหนาวนะบางทีเราจะเคยเป็นคนหนึ่งในนั้นก็ได้นะหนาวกว่านี้นะต่ํากว่าสิบหรือว่าเกือบศูนย์องศานี่เขาก็ไม่มีทีท่าอาการทุกอะไรเลยไม่ใช่เพราะาอากาศของเขาอากาศที่เขาสัมผัส น, นะนั้นมันหนาวน้อยกว่าที่นี่นะปรามันหนาวกว่าด้วยซ้ําแต่ว่าใจเขารู้สึกเป็นบวกกับความหนาวที่นั่น เขก็ไม่คยรู้สึกทุกร้อนอะไรแม้กายหนาวแต่ใจไม่หนาวด้วยนะีอันนี้เพราะใจเขายอมรับนะหนาวกว่า น, นี้เขาก็ไม่ได้บ่นโวยวายอะไรหรือไม่ได้ทุกอะไรให้เราสังเกตนะว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะมันไม่ใช่เพราะอากาศหนาวไม่ใช่เพราะแดดร้อนไม่ใช่เพราะเสียงดัง แต่เป็นเพราะท่าทีของใจต่างหากนะถ้าใจไม่ยอมรับใจปฏิเสธนะความทุกข์ใจก็เกิดขนนึ้นทันทีแม้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจะเล็กน้อยอย่างวัยรุ่นบางคนเนี่ยเพียงแค่มีสิวไม่กินเม็ดเนี่ยนะเขาก็เป็นทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงกับคิดฆ่าตัวตายเพียงเพราะว่ามีสิวที่ใบหน้า การที่บางคนที่เป็นมะเร็งแต่ว่าก็ไม่ได้มีความอนาธรร้อนใจอะไรเขาก็ยิ้มได้เขาก็อยู่ได้อย่างมีความสุขทําไมสิวทําให้บางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่บางคนเจอมะเร็งแต่ว่าเขาเป็นปกติได้ฉะนั้นที่ความรุนแรงนะของสิวกับมะเร็งนี่มันเทียบกันไม่ได้เลย แต่ว่าความทุกข์ใจนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรามากเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรถ้ายอมรับมะเร็งได้นะมะเร็งก็ทำได้แค่แค่ความทุกข์กายแต่ว่าทำให้ทุกข์ใจไม่ได้ส่วนซิลแม้จะไม่ทำให้ทุกข์กายแต่พอใจยอมรับมันไม่ได้รังเกียจมันชิงชังมัน ก็ทำให้ทุกใจท่วมทนเลยให้เราเลยรู้ได้นจาจะเรื่องจากเรื่องนี้เนี่ยจากความหนาวนที่กำลังเกิดขึ้นกับเราใช้ความหนาวเนี่ยมาเป็นโอกาสในการดูกายดูเวทนาแล้วก็ดูจิตก็ได้นะสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยก็มีสข้อนะที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ฝึกได้เลยนะในขณะนี้ ดูกายนะดูว่ากายมันเกรงไหมมันมันมีปฏิกิริยาอย่างไรกับความหนาวดูเวทนาคือดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อความหนาวสัมผัสดูจิตนะว่าจิตมันมีปฏิกิริยามันรู้สึกอย่างไรต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแน่สังเกตตาใจเราเนี่ยมันชอบไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นสุขว่สิ่งที่เป็นทุกข์มากกว่าสิ่งที่เป็นสุข อย่างตัวเรานี่ก็ถูกคมถูกคลุมด้วยเสื้อผ้าที่อบอุ่นแต่บ่อยครั้งใจมันชอบไปจ่อไปปักอยู่เถวร่างกายส่วนที่ไม่มีเสื้อผ้าปกคลุมเช่นนิ้วมือทั้งที่ส่วนที่อุ่นในร่างกายเรานี่มันอาจจะมีถึง 80-90% แต่ใจมันไม่อยู่ตรงนั้นมันดันนะไปจดจ่ออยู่ตรง ปลายเท้าปลายมือซึ่งเยน็นหนาวแล้วก็เป็นทุกข์ลองเอาใจเลื่อนมาที่ส่วนที่อุ่นนะเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้หนาวมากมายไม่ได้ทุกข์อะไรเลยแต่ใจเราชอบไปอยู่ในที่ทุกข์มากกว่าที่สุขชอบนึกถึงความทุกข์มากกว่าความสุขชอบนึกถึงสิ่งที่เป็นลบมากกว่าสิ่งที่เป็นบวกอันนี้ก็เป็น ธรรมชาติอย่างหนึ่งของใจหรือของหลายคนก็ได้นะเราลองเลื่อนใจของเราพาแจงเรามาอยู่ในบริเวณหน้าอกที่มันอุ่นนะเราก็จะสึว่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกร้อนอะไรเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเพาะการเจริญสติเนี่ยมันมีสองส่วนใหญ่ๆนะสองภาคใหญ่ๆ ภาคแรกคือให้ทำความรู้สึกตัวเมื่อกายเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเคลื่อนไหวด้วยอิริยาบถใดเช่นเดินยืนพูนะเจ้าตรัสดนะในเก่นุปัสสนสีปทานว่าให้ทำความรู้สึกตัวเมื่อเดินไปข้างหน้าถอยหลังเมื่อเหลียวซ้ายแลขวา เมื่อทรงสังคติจีวรทรงบาทเมื่อคูกขาเหยียดขาเมื่อกินดื่มลิ้มเสพเมื่ออุจารปศ ะ, ะเมื่อยืนเมื่อพูดเมื่อคุยเมื่อนิ่งอันนี้เป็นการจระสติในยามที่มีการเคลื่อนไหวอันนี้คือภาคภาคภาคแรกนะภาคที่สองคือว่า ให้ฝึกสติเมื่อเกิดผัสสะขึ้นผัสสะคือว่าเมื่อรู ก, กระทบตาเสียงกระทบหูหรือว่ากลิ่นกระทบจมูกนะหรือว่ามีสิ่งมาสัมผัสกายในการที่เรานั่งอยู่นี้นะถึงแม้บางคนกายจะไม่เคลื่อนไหวแต่ว่าผัสสะมันได้เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่หูได้ยินเสียงนะแต่ว่า ความหนาวก็สัมผัสกายเราก็สามารถเรียนรู้หรือฝึกสติได้เมื่อเกิดผัสสะขึ้นเพราะว่าเมื่อแต่ก็ตามที่ผัสสะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดเวทนาจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือว่าความสุขเฉยเรียกว่าทุกขมสุขเวทนาก็ได้แล้วเมื่อเกิดเวทนาขึ้นแล้วก็เป็นก็ปรุงแต่งเป็นอารมณ์เป็นความอยากเป็นความไม่อยากเป็นความชอบเป็นความชังสภาวะเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็น โอกาสหรือเป็นวัตถุ ด, ดิบให้เราได้ฝึกสติรู้ทันนะเมื่อกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวนะเมื่อจิตกระเพื่อมเพราะว่าเกิดผัสสะขึ้นมาก็รู้ทันนะบางทีก็พูดสุบง่ายๆว่ารู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะใจคิดนึกได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เพราะเมื่อเกิดผัสสะ ที่จริงความคิดนึกมันก็เป็นภัสสะอย่างนึงนะคือเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นแล้วใจไปรับรู้อันนั้นก็เรียกว่าผัสสะได้เกิดขึ้นแล้วแต่บ่อยครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากรูปรสกลิ่นเสียงนะสัมผัสมากระทบตาคุดจมูกลิ้นกายแล้วมันเกิดเวทนาทําให้ใจกระเพื่อมด้วยความชอบความชังด้วยความอยากจะไขว่คว้าหรือผลักใสเนี่ยอันนี้แหละเป็นโอกาสให้เราได้เจริญสติ คือรู้ทันมันในเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะอ้าวก็มีสติรู้สึกตัวแต่ในและขณะเดียวกันเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาเสียงกระทบหูหรือว่ารูปมากระทบตาหรือว่าความร้อนความหนาวสัมผัสกา ย, เ, ยเราก็ใช้สติเข้าไปดูส่วนใหญ่เนี่ยเวลาตายเห็นรูปเนี่ยจิตมันก็ไปอยู่กับรูปทันทีเลยนะ หรือไม่ ใ, ใจมันก็เกิดเพิ่มตอนนั้นคือคนที่ไม่ได้มีสติหรือไม่ได้ใช้สติแต่เราซึ่อเป็นนักปฏิบัตินี่ก็ลองฝึกดูนะว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือว่าร่างกายสัมผัสกับความหนาวสัมผัสกับแดดให้มีสติมาดูใจด้วยให้มีสติเห็นความชอบความชังที่เกิดขึ้นขณะที่ตากระทบรูปหูได้ยินเสียง แต่คนส่วนใหญ่จะไม่เป็นอย่างนั้นนะคนส่วนใหญ่ใจมันจะไปอยู่ที่รูปที่เสียงทันทีเช่นพอเสียงดังเนี่ยนะมีเสียงดังเสียงคนพูดคุยกันข้างล่างมีเสียงรถยนต์ใจมันก็จะพุ่งไปที่เสียงนั้นไปที่ต้นเสียงทันทีจนลืมดูใจว่าตอนนั้นใจมันไม่พอใจมันหงุดหงิดอย่างไรบ้างแต่นักภาวานา น, นักปฏิบัติเนี่ย นะเมื่อหูดินเสียงเนี่ยสติเขาจะมาเห็นใจนะที่กระเพื่อมทันทีไม่ว่าความกระเพื่อมนั้นจะกระเพื่อมขึ้นหรือกระเพื่อมลงจะฟูหรือแฟบเวลาเราไปตัดอาหารเนี่ยนะตาเห็นอาหารที่ชอบหรือว่าจมูกได้กลิ่นที่หอมสติเราเห็นความดีใจ หรือว่าใจที่ฟูขึ้นหรือเปล่าเวลาตักอาหารก็เป็นการเจริญสติได้อย่างมึงเหมือนกันนะมันได้ฝึกสติทั้งเมื่อกายเคลื่อนไหวแล้วก็ฝึกสติเมื่อเห็นใจคิดนึกหรือปรุงแต่งเป็นอารมณ์ขึ้นมาไม่ว่าสุขหรือทุกข์โฟรหรือแฟบแต่ถ้าเราเห็นเห็นถูกนะหรือเห็นด้วยสตินะมันยังไม่เข้าไปเป็ น, ปนอย่างถ้าเราเห็นความหนาวที่เกิดขึ้นนะ ความหนาวที่เกิดขึ้นกับกายก็จะไม่เป็นผู้หนาว <alone> เห็นความหนาวแต่ไม่เป็นผู้หนาว <alone> <themselves> เวลามีความปวดเมื่อยเกิดขึ้นแล้วใจไปรับรู้ความปวดเมื่อยแล้วก็เห็นด้วยสตินะมันก็จะเห็นความปวดเมื่อยแต่ว่าไม่เป็นผู้ปวดเมื่อยเห็นความปวดกับเป็นผู้ปวดนี่ต่างกันนะเห็นความหนาว แต่เป็นผู้หนาวนี่ต่างกันเห็นความหนาวนี่ใจไม่หนาวมันหนาวแต่กายเห็นความปวดใจไม่ปวดนะมันปวดแต่กายซึ่งก็จะช่วยทำให้ความทุกข์มันลดลงไปได้เยอะทีเดียวอาจจะสองในสามก็ได้พูดอนี้ก็เพราะว่าเขาเคยมีการทำวิจัยพบว่าคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ย นะถ้าเกิดว่าโดนเข็มทิ่มไปเนี่ยความเจ็บจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าของคนที่ไม่เจ็บและไม่กลัวความกลัว เ, เป็นตัวเพิ่มความเจ็บปวดให้มากขึ้นความกลัวนี่ก็เป็นการผลักไสยอย่างหนึ่งนะเป็นการปฏิเสธไม่ยอมรับของใจมันก็เลยแสดงอาการเป็นคนความกลัวและเมื่อใจกลัวแล้วเนี่ยพอเกิดภัสสะคือเข็มทิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ ปวดที่แขนปวดที่มืออย่เดียวมันปวดใจด้วยไอความปวดใจนี่ก็เรียกว่าเป็นสองเท่าสามเท่าของความปวดกายก็ว่าได้แต่ถ้าเรายอมรับได้ว่าเออจะมาถึงนี่แล้วนะจะฉีก็ฉีดไปลราวางใจเป็นกลางมันก็มีแต่ความปวดกายแต่ว่าใจไม่ปวด ให้เรามันดูใจแบบนี้ด้วยดูใจด้วยสติเห็นไม่ค่อยไปเป็นแล้วเราก็จะพบว่าความทุกข์ใจมันลดลงไปได้เยอะไม่ว่ามีผัสสะใดๆเกิดขึ้นในทางที่ไม่น่าพอใจก็ตามการรู้เฉยๆนี่ก็เป็นหลักที่สืบเนื่องการเห็นนะไม่ค่อยไปเป็นที่เขาไปเป็นเพราะว่ามันไม่ยอมเห็นเฉยๆหรือไม่ยอมรู้เฉยๆนะจะเข้าไปแทรกแซงจะเข้าไป ทำอะไรนะกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นมีความกลัวก็ไปพยายามกดข่มความกลัวเข้าไว้หรือว่าเมื่อมีภาษะจากภายนอกเช่นเสียงรูปมากระทบมันก็มีการผักไสไม่พอใจไม่ชอบปฏิเสธเสียงหรือรูปนะที่มากระทบนะไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายนอกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในคืออารมณ์เนี่ยหรือเวทนาเนี่ย ถ้ารู้เฉยๆแล้วนี่มันมันไม่ทุกใจเท่าไหร่แต่พอไม่รู้เฉยๆว่าเขาไปทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้นนะไม่ว่ารูป่ากินเสียงหรือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นและความคิดภายในมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีนะลองฝึกดูนะการการใช้สติเนี่ยเพื่อเห็นไม่ข้อไปเป็นหรือว่ารู้เฉยๆไม่ใช่เฉพาะในเวลาที่มี สิ่งบีบคั้นกายหรือว่าสิ่งบีบคั้นใจแม้ก็ตั้งสิ่งที่ทาให้ใจฟูฟ่องหรือว่าเกิดความดีใจขึ้นมาก็ต้องไวในการที่จะมีสติเห็นมันด้วยหลุงพ่อประสงค์พระอาจาร์ประสงค์ปริพุณโหนท่านเคยเล่านะว่าเคยไปบรรยายโรงเรียนแห่งหนึ่งที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็บรรยายเสร็จท่านก็ขณะที่คงจะรอพรหนะก็คุยกับ เด็กผู้หญิงคนนึง่งอายุ ป, ประมาณแปดขวบเด็กก็ดูท่าทางฉลาดแล้วก็สนใจใฝ่รู้พอคุยจบพระอาจารย์ประสงค์ก็บอกกับเด็กว่าเนี่ยหนูเป็นเด็กดีเด็กฉลาดเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้ของขวัญ น, นะแล้วท่านก็หยิบรูปประคำขึ้นมาจากย้ามเด็กเห็นเด็กก็ร้องอู้ฮูพระอาจารย์ประสงค์ก็เลยถามว่าหนูร้องอู้ฮูเนี่ยหนูเห็นอะไร เด็กตอบดีนะบอกหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะเวลาตาเห็นรูปประคำเนี่ยเด็กก็ใช้สติเห็นความดีใจที่เกิดขึ้นแปดควมนะในส่วนใหญ่เนี่ยแม้กระทั่งผู้ใหญ่เนี่ยพอตาเห็นรูปประคำเนี่ยหรือเห็นแหวนเห็นเพชรเนี่ยใจก็ไปปักตึงตรงนั้นแล้วความดีใจเกิดขึ้นอย่างไรก็มองไม่เห็น แต่เดีกคนนี้เนี่ยพอตาเห็นรูปประคำเนี่ยสติเห็นความดีใจเกิดขึ้นเลยและเห็นเลยนะไม่เข้าไปเป็นนะเดยกถึงตอบว่าเห็นข้างในามาดีใจเดยกไม่ได้ตอบว่าหนูดีใจค่ะต่างกันมาระหว่างหนูดีใจกับห น, นูเห็นข้างในามาดีใจนะนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างเห็นกับการเข้าไปเป็นส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นแร้วเข้าไปเป็นเลยนะยหนูดีใจหรือว่า ถาปฏิบัติแล้วคลียเครียดก็เห็นหนูเครียดรู้สึกว่าหนูเครียดไม่ใช่หนูเห็นความเครียดเวลาฟุ้งซ่านก็เป็นผู้ฟุ้งซ่านนะไม่เห็นความฟุ้งซ่านเนี่ยเราลองสังเกตดูตอนที่เราเจริญสติยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมเนี่ยเราเห็นหรือเข้าไปเป็นอันนี้พอเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างหน้ามันมดีใจค่ะพระอาจารย์ประสงค์ก็ถามว่าแล้วหนูทํางไงกับมันเด็กก็ตอบดีเหมือนกันนะเด็กบอกว่ า, วา หนูไม่ทําอะไรกับมันคระหนูแค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ข้างในมันลดลงแล้วความดีใจมันมันลดลงแล้วเด็กทั้งเห็นและไม่ค่อยไปเป็นแล้วก็รู้เฉยๆรู้ซื่อๆอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนบางทีนักปฏิบัติที่เป็นผู้ใหญ่นี่ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงเห็นครับไม่ค่อยไปเป็นแล้วก็รู้เฉยๆรู้สื่อๆเนี่ย แต่เด็กแปลควบนี่เขาเขาทาได้แบบสบายเป็นธรรมชาติเลยก็ไม่รู้เขาใครสอนเขานะพระอาจารย์ประสงค์ถามว่าหนูทําไงกับมันไอ้ความดีใจเนี่ยเด็กตอบว่าหนูไม่ได้ทำอะไรกับมันค่ะหนูก็แค่ดูมันเฉยๆส่วนใหญ่เนี่ยพอความดีใจเกิดขึ้นเนี่ยก็เข้าไปเป็ น, ปนแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นก็ยังพยายามที่จะถนอมห่วงแหรรักษามันเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นความเสียใจก็ ไม่ใช่รู้เฉยๆดูเฉยๆแต่ไปผลักใส่มันกดข่มมันรู้เฉยๆเนี่ยมันรู้แล้วมันวางนะรู้แล้ววางแล้วก็ไม่มีความอาลัยด้วยเช่นเวลาดีใจเนี่ยรู้ว่าดีใจพอมันสงบลงก็ก็จบเท่านั้นหลายคนเวลาปฏิบัติเนี่ยเกิดปิติเกิดอาการเบาเกิดความสุขเกิดความสบายแทนที่จะเห็น นะความปิติที่เกิดขึ้นเนะข้าไปเป็นเลยนะเป็นผู้ปิติเป็นผู้ดีใจเป็นผู้อิ่มเ อ, อิบเสร็จแล้วเนี่ยก็มักจะมีปัญหาตามมาเพราะว่าพอปฏิบัติใหม่ก็จะหวนนึกถึงความปิติที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อวานนี้ทำแล้วปิติมากเลยคนที่ประสบความปิติเกิดความเบาตัวเบาใจเนี่ย ส่วนใหญ่นะวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเครียดเลยจะทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะว่าอยากได้อย่างเมื่อวานเมื่อวานนี่ทำดีมากเลยนะโอ้ยพอวันนี้นี่จะพยายามเอาให้ได้เอาให้ได้แทนที่จะทำด้วยความรสึกสบายก็ทาด้วยความการบีบเค้นการบังคับแทนที่จะอยู่กับปัจจุบันก็ไปนึกถึงอดีตว่าเมื่อวานนี้เราทำได้ดี ก็อยากจะได้อย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บางอันนี้ก็คือว่าไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางางั้นใครที่ปฏิบัติแล้วสบายดีเนะบานี่นะให้เตรียมใจเลยนะว่าวันรุ่งขึ้นนี่จะแยนะ่เพราะว่าใจมันวางไม่ถูกใจมันยึดติดกับอดีตที่มันผ่านไปแล้วแต่ยังไม่ยอมปล่อยมันไม่ยอมวางมันก็ไปยึดมันเอาไว้ใจเลยไม่อยู่กับปัจจุบัน และแถมไปบังคับมันด้วยให้เพื่อให้ได้ผลอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อวานมันเป็นใจที่เจอด้วยตัณหามันก็เลยตามมาด้วยความทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติดีนะวันนี้เราปฏิบัติดีใจเบาสบายเรารู้เฉยเฉยไม่ค่อยไปเป็นมีปิติเกิดขึ้นก็เห็นความปิติแต่ไม่เป็นผู้ปิติแล้วเมื่อมันผ่านเมื่อมันจบลงมันดับไปก็ ปล่อยวางมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่ผวนหาอะไรโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นอีกก็มีแต่เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ทำอย่างนั้นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็พยายามที่จะเข้าไปยึดนะไม่ได้รู้เฉยเฉยรู้แล้วปล่อยแต่ไปยึดมันเอาไว้นะมันก็เลยทำให้การปฏิบัติกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาเาช้านี้ก็นะพูดท่านี้นะกราบพระ